วันนี้เป็นวันที่ส9บเกสิงหาห้พวกเราเข้าพรรษามานับถึงวันนี้ก็คงจะเป็นเวลายี่สิบวันเป็นเดือนแรกของพรรษาปีห0การประชุมของพวกเราในการเข้าพรรษาใหม่ก็รู้สึกว่าก็มีภาระธุระ พอสมควรเพราะวัดต่างๆญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่พวกเราได้รู้ได้เห็นตั้งแต่นี้ต่อไปก็คงจะค่อยจางออกไปแล้วคงจะเข้าสภาพปกติอย่างทุกปีที่ผ่านมาก่อนลักษณะอย่างนั้นดนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านพระใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่หรือจะพระใหม่พระเก่า ก็เกี่ยวเนื่องกันก็คือพระเก่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีของพระใหม่แต่ถ้าว่าพระเก่าไม่มีการแนะนำไม่มีการบอกกล่าวพระใหม่ก็คงจะไม่รู้เรื่องเพราะนั้นพระเก่าต้องทำตัวเป็นพี่เลี้ยงให้พระใหม่อยากจะให้พระใหม่อยู่ในกฎระเบียบพระเก่าก็ต้องทำตน ให้พระใหม่ดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าว่าพระเก่าทำตนไม่เป็นกฎไม่มีกฎมีเกณฑ์พระใหม่ก็จะต้องเดินตามพระเก่าผลที่สุดก็พระเคล้ากันไปเลยไม่มีกฎไม่มีระเบียบเพราะพระเก่าที่ได้รับการศึกษาดีแล้วไม่ปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามา อันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกทุกทุๆท่านทั้งเป็นพระใหม่และพระเก่าเพ น, นั้นในพวกเราสรุปแล้วก็ให้พวกเราทักอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่มาบวชในพระพุทธศาสนาในการบวชในครั้งนี้ก็ให้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นของยากพูดอย่างนั้นได้ แต่ถ้าว่ามันง่ายก็คงคนคงจะมาปวดกันมากแต่นี้คนมันมันยากสิ่งไหนก็ตามถ้ามันของง่ายมันก็ไม่เป็นสิ่งที่อัจัริย์เพราะหาได้ง่ายที่ไหนก็มีหมดอย่างความประพฤติทางโลกอย่างนี้กินตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจพูดตามอาเภอใจจะทำอะไรได้ตามอาเภอใจ อันนี้เป็นของหาได้ง่ายของหาได้ง่ายมันก็เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัจฉริยะแต่ถ้าหาว่าเป็นของที่หาได้ยากนั่นแหะเป็นสิ่งที่อัจฉริยะเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้มาบวชเข้ามาเพื่อหาสิ่งที่เป็นอัจฉริย์หาสิ่งที่เลิศประเสริฐที่มนุษย์ทํากันได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาจุดนี้แล้ว เราจะไปบอกไปบ่นว่าทำได้ยากพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าการบวชเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสืออีกอย่างหนึ่งผมก็ได้จัดเครื่องฟังให้แก่พวกท่านทั้งหลาย สำหรับเป็นที่ศึกษาเพื่อจะให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากเทปจาก MP สที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศต่างองค์ต่างกลัมต่างวาระมีหลายองค์หลายท่านที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อฟังแล้วก็ให้พยายามศึกษาให้เข้าใจจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัต ตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ m อ3สของผมที่อัดเอาไว้ก็มีมีมากไปถ้าหายาถามว่าพวกเราอยากจะฟังเรื่องของวัดตัวเรื่องของผมเรื่องการแนะนำสั่งสอนก็อยู่ใน m อ3สทั้งสิบแผ่นที่พวกเราจะต้องฟังถ้าอยากจะเข้าใจ ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจฟังด้วยการไข่ควนไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังอย่าไปฟังแตกศักแต่ว่าฟังผมว่าที่ผมพูดอบรมไปนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จะจับประเด็นได้ว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรแนะนำอย่างไรให้แนวความคิดอย่างไร พวกเราก็คงจะจับประเด็นได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฟังฟังแต่สักว่าฟังฟังเลื่อนเลื่อนลอยลฟังไม่สนใจฟังนั้นผมว่าคงจะไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการได้ยินได้ฟังแต่ถ้าว่าพวกเราฟังด้วยความสนใจแล้วผมมั่นใจเหลือเกินว่า m อ็สของผมที่อัใจใัยแผ่น ลงไปเนี่เกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับกฎระเบียบพินัยการเป็นอยู่ร่วมกันการวางตัวของพวกเราตลอดถึงแนวความคิดการพูดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรานำมาปฏิบัติตอ่อนำมาปฏิบัติตอ่อเรือนำมาเชื่อมโยงกันพวกเราก็คงจะได้รับความรู้ ในการได้ยินได้ฟังนั้นพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อเข้ามาศึกษาก็ให้ตั้งอกตั้งใจฟังกายของเราวาจาของเราใจของเราไม่หนีจากหลักทั้งสามอย่างในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่า <Yeah. S 1> ภิกษุที่มีขวานอยู่ในปาก อนนท่านก็บอกมีขวานอยู่ในปากก็คืออะไรปากพูดออกไปไปทำให้คนอื่นเสียหายอันนั้นแปิที่มีขวานอยู่ในปากไปเตินในสิ่งที่คนยกย่องไปยกย่องในสิ่งที่ควรที่จะตาหนิคือถ้าเมื่อทำผิดพระวินัยตัวเองก็กลับไปยกย่องว่าเขาเก่งแต่ถ้าว่าเขาทำถูกพระวินัยก็ไปตาหนิเขาเพราะ มีความไม่พอใจอยู่ในใจใช้วาจาออกไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นวิเลยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุที่มีขวานอยู่ในปากอพูดออกไปมีแต่เสียหายทําให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อนอันดับแรกก็คือทําให้ตัวของเรานั้นเดือดร้อนก่อนเอต่อไปมันเดือดร้อนในใจของเราแล้วที่พูดออกไปก็ทําให้คนอื่น ไม่สบายใจคนอื่นเขาเดือดร้อนผลที่สุดก็เกี่ยวเนื่องมาหาตัวของเราอีกอย่างเก่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสและท่านพูดเอาไว้แล้วสอง0ันกว่าปีให้พวกเรานำมาคิดมาพิจารณาดูว่าในตัวของเราเนี่ยมีมีไหมลักษณะอย่างนั้นก็ให้ระวังสำรวมระวังอย่าให้มีขวานอยู่ในปากของเรานะ ถ้ามีขวานอยู่ในปากจะทำให้ศัพ์คนนั้นฟันคนนี้เดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นสุขกรสับกระสายทั้งบงหมู่คณะที่อยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะสํารวมระวังการเป็นอยู่เพราะว่าการเป็นอยู่เราก็ไม่เห็นว่าจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เพราะนั้นให้สํารวมระวังให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาปฏิบัต ให้เข้มงวดปวดขันนี่แหละแล้วก็ให้ให้ภาวนานั่นนะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญที่พวกเรามาบวชในครั้งนี้มาบวชในสำนักของผมแห่งนี้ผมไม่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างอื่นแนะนำเรื่องจิตตะภาวนาเป็นหลักจิตตะภาวนานั้นคืออะไรนี่ผมก็ได้พูดในเอ็มพีสามมากต่อมาก ถ้าว่าพวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราก็คงจะจับประเด็นได้การเริ่มต้นทำยังไงการประพฤติปฏิบัติตนทำอย่างไรแการพิจารณาทางวิปัสสนานนทำอย่างไรไม่นอกเหนือจากที่ผมได้พูดไปแล้วแต่บางครั้งมีแต่ว่าผมเอาเกร็ดความรู้บางอย่างเข้าเสริมเข้าไปอีกเพื่อเสริมสติปัญญาของพวกเราในแนวความคิดให้กว้างขวาง มองให้รอบร้านมองให้กว้างขวางมองไปในทั่วสารทิศจากนั้นก็วางตัวให้ถูกต้องแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังกว้างขวางพวกเราก็จะคับแคบมองในในมุมเออในซอกในมุมเดี่ยวสติปัญญาของเราก็จะวางตัวยังไงจะถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินยัยการอยู่ร่วมกัน กับหมู่กับคณะกับคนส่วนใหญ่ระ ว, วางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้ผมจะพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนให้วางตัวให้ถูกต้องตามสติปัญญาของผมที่มีอยู่ที่จะแนะนำให้แก่หมู่พวกเพื่อนสรุปแล้วก็คือผมไม่มีความรู้อะไรที่จะปิดบงังสาหรับหมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาศึกษา ในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้ว่าไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนลูกศิษย์ของพระองค์ท่านก็เปิดเผยให้ฟังหมดสิ่งไหนที่จะเป็นความเฉลียวฉลาดความรู้รอบคอบในสาวกสากยบุตรของพระองค์ผมก็มไม่ได้เปรียบเทียบอย่างพระพุทธเจา้าแต่ผมมีความรู้เท่าไหร่ผมขอแนะนําพวกน้องๆ ที่บวชเข้ามาภายหลังให้ได้รับความรู้ความฉลาดเต็มความสามารถของผมที่ได้เรียนได้ศึกษามามาประยุกออกมาใช้ประยุกอกอกมาพูดคิดขึ้นมาแล้วก็ประยุกมาทำมาพูดให้แก่พวกน้องๆหรือวพวกที่บวชภายหลังให้ได้รู้ให้เข้าใจในหลักพธรรมคาสังสอนหรือกฎระเบียบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติธปฏิบัติมา ที่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแต่ทางว่าเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นจริยธรรมที่ดีสำหรับพระควรจะประพฤติตนอย่างไรในยุคสมัยสิ่งเหล่านี้ผมก็พยายามนำมาว่ากล่าวสั่งสอนหมู่กเพื่อนให้เป็นผู้เรียนรู้รอบครอบให้รู้จักการสถานที่บุคคลให้เป็นผู้มีความอรอบคอบ ในการเป็นอยู่ของตนเองทั้งคดีโลกและคดีธรรมคดีก็โลกการอยู่ร่วมกันก็รอบขอบคดีธรรมก็คือส่วนตัวควรจะคิดยังไงควรจะพูดยังไงควรจะทำยังไงส่วนตัว จ, จริงๆก็ควรจะคิดอย่างไรอย่างนี้ก็ได้พูดให้หมู่พวกเพื่อนตั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้น การเข้ามาศึกษาของหมู่คณะถึงยังไงก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติการพูดการคุยกันก็ให้เป็นไปร่มเวลา อ, อย่าไปพูดมั่วสุงคุยกันทำให้จิตใจของเราส่งออกไปข้างนอกอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำหรือว่าท่านบอกกล่าวท่านเป็นห่วงอย่างมากในจุดนี้ เพราะนั้นการอยู่ด้วยกันข็พยายามพอประมาณนะไม่พูดไม่คุยจะเลยก็ไม่ได้แต่ก็ต้องให้พอประมาณแต่อย่าไปพูดเรื่องโลกสงสารพราะเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติเราเข้ามาเพื่อบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในช่วงนี้เราไม่ได้มาเพื่อศึกษาอย่างอื่นเรามาเพื่อรักษาศีลปฏิบัติ ศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนให้มาดูใจของตนเองใจของเรามันจะทะลักไปในทางกิเลสอยู่เสมอกิเลสราคะบาั่งกิเลสโทสะบั่งกิเลสโมหาบาั่งแต่มันทะเลิดถลายอยู่ตลอดเพราะนั้นให้พวกเราดูดูอากับกิริยาของใจที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละให้พวกเรารู้ให้พวกเราศึกษา แต่พวกเรารู้ศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีการปฏิบัติทำสมาธิทำยังไงทำจิตให้สงบทำยังไงจากนั้นกน็ถึงเราจะไม่ชําละจิตใจให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารก็ให้เรารู้แนวทางเอาไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติตนนั้นเมื่อเป็นพระนั้นควรจะปฏิบัติตอนอย่างไรเหล่านี้แหละขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านให้ศึกษา สำหรับพระใหม่สำหรับพระเก่าแล้วสงควรอย่างยิ่งที่จะต้องฟันเอจะต้องดูจะต้องปรับปรุงกายใจของเราให้เข้มงวดกวดขันให้อยู่ในหลักพระธรรมมีนายอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าให้มีปัญหาอย่าให้มีเรื่องที่กิเลสราคะโทสะโมหะเหยียบย่ํำทําลายจิตใจของเราได้ การปฏิบัติการภาวนาตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนทำอย่างไรสมาธิทำอย่างไ ร, งไรปฏิบัติตนอย่างไรอดนอนผ่อนอาหารอย่างไรนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรการเป็นอยู่ตามลำพังทำอย่างไรให้หลบปลีกหลีเล้นอยู่ตามลำพังทำอย่างไรให้รู้จักกาละเทษะกิ จ, จวัดข้อวัดอย่างไงสิ่งเหล่านี้ก็ให้พระ ผู้ที่จะเป็นผู้นําต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งในาศาสนาก็จะเป็นทรัพยากรแล้วว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือต่อไปในอนาคตแต่สําหรับผมเองผมก็มไม่ได้คิดมุ่งหวังอะไรสําหรับหมูพวกเพื่อนอยากแต่มีแต่มุ่งหวังว่าอยากจะให้หมูพวกเพื่อนเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ ดำรงทรงศาสนาให้มีกฎเกณฑ์ให้เป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลังอย่างผมกูเหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่ล่าอย่างนี้เ อ, อท่านสั่งสอนผมท่านก็คงไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากผมแล้วก็หลวงตาอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาอีกท่านแนะนําสั่งสอนจิต ท, ท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไร มีแต่เมื่อเราเข้าศึกษาท่านก็พยายามสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนให้เต็มที่ให้เข้าอกเข้าใจในหลักพระธรรมวินยัยเพราะท่านก็ได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาท่านก็พยายามถ่ายเทและถ่ายทอดให้พวกเราได้ศึกษาในเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเอออันนั้นที่เรากล่าวไหวสักการบูชาพระคุณของท่านที่ท่านให้ธรรมะมานั้นอันนั้นเต็มหัวใจอันนั้นเป็นเรื่องของเราส่วนท่านนั้นจะมุ่งหวังอะไรจากเรานั้น ผมว่าขั้นคงจะไม่มีอะไรมีแต่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เราเราได้ศึกษาแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่ายจใจของเราจากนั้นก็เป็นสมบัติของเราเองเราพวกเราจะรับได้มากได้น้อยอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเมื่อรับไปแล้วเราก็ถอดถอนถ่ายถอนออกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจของตนเองได้มากน้อยอยางไงแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของเรา จากนั้นก็ได้นาธรรมที่เราได้ศึกษามานําไปถ่ายทอดแก่พระเนนที่เข้ามาศึกษาต่อไปภายภาคหน้าอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราอันนั้นก็พวกเราทีแรกก็คงจะไม่ได้คิดอะไรอย่างผมก็เหมือนกันเมื่อเข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมีแต่เข้าไปอยู่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนาสั่งสอน แต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้อย่างที่พวกเราอย่างผมเนี่ยที่มานั่งอยู่ในที่นี่อย่างนี้ล่ะผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าผมจะได้พูดอย่างนี้ให้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาของผมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้แก่หมู่พวกเพื่อนได้ฟังอย่างนี้ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันแต่ว่าจะทํายังไงได้มันเป็นยุคเป็นสมัยคล้ายๆกับว่าเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์โร่งรยไปหรือว่า เท่าแก่ชลาไปก็เป็นหน้าที่ของพระจะต้องถ่ายทอดกันออกไปเรื่อยๆเพื่อดํารงทรงศาสนาให้อยู่นานเท่านานอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกๆ ท, ท่านนะที่เข้ามาที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วถึงจะไม่ได้มุ่งหวังอะไรก็ตามแต่ก็ให้ศึกษาให้ศึกษาในหลักพระธรรมวินัยให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองและก็พร้อมกันก็ให้ฟังให้ศึกษา ให้เข้าใจในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรามีกฎมีเกณฑ์กับตนเองแล้วตนเองมีหลักแล้วมีกฎมีเกณฑ์แล้วเรารู้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนเราก็สอนตามที่เรารู้เราเข้าใจก็จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไปภายภาคหน้านะ อ, อันนี้อ่ไม่ว่ายุคใดสมัยใด อ, อย่างในยุคในครั้งพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญา แต่ท่านก็พูดในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าเทวดาเทวดาเทวดาถามปัญหาท่านถามปัญหาพระกุมารลกัจจปะพระถามปัญหากับพระกุมารลกัจจปะพระกุมารลกัจจปะก็นําปัญหาที่เทวดาถามมากราบพูนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าวเทวดาถามปัญหาข้าพระองค์ เขาถามว่ามีจอมปลวกอยู่ลูกหนึ่งมีจอมปลวกอยู่ลูกหนึ่งจอมปลวกมีอยู่จอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวแล้วมีพราหมงสั่งให้คนไปขุดขุดจอมปลวกนั้นเทวดาถามว่า นี่คือหมายความว่าอย่างไงพระพุทธองค์ก็เฉลยปัญหากับพระกุมารและกัตริยท่านบอกว่าจอมปลวดนั่นคือร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์จอมปลวกนั่นคือร่างกายมนุษย์แต่ในใจในในตัวมนุษย์นั้นกลางคืนเป็นควั้คล้ายๆกับ ก, กลางคืนมีแต่คุ้นคิดเรื่องต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปุงเรื่องนั้น ปุงเรื่องนี้วางแผนเรื่องนั้นวางแผนเรื่องนี้เพราะกลางคืนทำอะไรยังไม่ได้แต่พอกลางวันมาเป็นเปลวเลยนะี่วิ่งวุ่นการกระทำและการพูดออกไปในสิ่งที่เมื่อคืนพอเราไปคิดไปแล้วปุงทำตามที่ได้คิดไปแล้วว้าวุ่นไปทั้งวันอันนี้แปลว่ากลางวันเป็นเปลวออกออกแสงมางนันท์ คว ท, ที่สั่งให้ขุดนั้นคือพระพุทธเจ้าสั่งให้พระเสขะพระเสขะคือผู้ยังศึกษาอยู่ผู้ยังศึกษาอยู่ก็คื อ, อยังไม่ใช่เป็นพระอระหันต์พระเสขะจอบเสียที่ขุดนั้นคือปัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าพูดอยางนั้นคือร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนกับจอมปลวก กลางคืนเป็นควันผีพวกเราคุ้นคิดเรื่องต่างๆวางแผนงานถ้าเป็นยิ่งเป็นครวญมีธุระการงานมากแล้วก็ยิ่งคิดมากวางแผนการ ง, งานกลางคืนเป็นควันแต่ว่าพอกลางวันขึ้นมาแล้วก็ทำงานไฟแลบเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษา ศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจที่นีที่ท่านพูดว่าความคิดนั้นคืออะไรเป็นควันนัควันคิดคุด้นคิดเรื่องอะไรในการพูดการกระทานั้นทำยางไรมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมมันจะไปทางโลกหรือมันจะไปทางธรรมสิ่งนี้เราต้องแยกแยะเป็นสองประเด็นอีกเหมือนกันทางว่าทางโลกของเขาเขาก็ต้องคิดไปในทางตุระการงานทํามาหาเลี้ยงชีพแต่สาหรับพระของเราแล้ว พวกเราควรจะคิดอย่างไรควรจะวางแผนอย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ตาสำหรับพระแล้วท่านบอกว่าควรจะคิดใขค้ควรไตรตรองเหตุและผลในขณะที่การคิดนั้นคล้ายๆว่าดูใจของตนเองกาหนดลมหายใจเข้าออกดูใจของตนเองเดี๋ยวขณะนี้ใจของเราคิดเรื่องอะไร จากนั้นก็นําใจที่คุณคิดนั้นพิจารณาดูร่างกายให้ดูกายของเราเนี่ยแหละเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของใจเป็นเครื่องอาศัยของใจใจอาศัยร่างกายร่างกายก็อาศัยใจแต่ถ้าว่าร่างกายไม่มีใจอยู่ร่างกายนี่นก็ล่มหายตายแตกสลายแต่ตามไม่จริงร่างกายมันไม่ได้คิดอาศัยใจหรอก คลายห่วใจนั่นแหะประคับประคองเหมือนกับรถนั่นห่ะรถมันไม่ได้อาศัยคนนะอย่าไปคิดว่ารถอาศัยคนคนนั่นล่ละหารถมาใช้จากนั้นก็ประคับประคองดูดูแล ร, รักษารถของตนเองเอ่ออย่างอย่างเข้มงวดกวดขันอันนี้ร่างกายของเราถ้าจะเปรียบเทียบแล้วยิ่งแพงกว่ารถหลายร้อยคันในตัวของเรา เพราะนั้นพวกเราได้มาดูดูกายของพวกเราเนี่ยดูแลกายเนี่ยนี่แหละใจนี่แหละอาศัยกายถ้าจะว่าไปแล้วกายของเราเนี่ยเขาไม่ได้ยินดียินร้ายกับใจเอเพราะมันแก่ถึงเขาแก่มันก็แก่ไปถึงเขาเจ็บมันก็เจ็บไปถึงคราวตายมันก็ตายไปตามสภาพของมันแต่ว่าใจของเราเนี่ยแหละเถ้าเมื่อมัน ผิดปกติขึ้นมาแล้วจิตใจของเราเป็นทุกข์กับร่างกายอย่างมากถ้าร่างกายผิดปกติหน่อยเดียวตาฝ้าฟางตามัวหูตึงหูหนวกเจ็บหูปวดหูอย่างนี้หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันพิคงพิการหรือว่ามีปัญหา เ, เป็นฝีเป็นหนองเก็บไข้ได้ป่วยใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์กลัวร่างกายจะแตกกลัวร่างกายจะจากไป กลัวร่างกายจะอยู่ไม่ได้นานกลัวจะไม่ได้ใช้ร่างกายอย่างเนี้ยใจของเราเนี่ยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บำรุงเป็นผู้รักษาร่างกายโดยตลอดแต่ถึงยักจะรักษาดีขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนรักษาดีขนาดไหนร่างกายเนี่ก็ทุบพลภาพไปทีละน้อยละน้อยไม่อยากจะให้แก่ก็แก่ไม่ใหอยากจะให้เจ็บมันก็เจ็บตาตาฟ่า ฟ, า, ฟางหูหนวก เจ็บปากเจ็บจมูกเจ็บเลินเจ็บฟันปวดเจ็บไปทั้งหมดสพางร่างกายทุกแห่งทุกหนในร่างกายแต่ใจของเรากับะวกรวบเป็นผู้ดูแลเข้มงวดกวดขันหาหยุกหายายถามไทยเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองเพื่อให้อยู่ได้หิวอาหารทานอาหารดื่มน้ําสูดลมหายใจเข้าออกสิ่งหมดนี้ใครเข้ามาดูแล ร่างกายทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วคือใจของเราในปกป้องร่างกายดูแลร่างกายของตนเองแต่ถึงยังไงดูแลดีขนาดไหนก็ถัวร่างกายนี่ยก็ยังไม่คุ้นไม่เชื่องกับใจแต่พอถึงวันหนึ่งถึงข่าวจุดจบของร่างกายร่างกายก็จะต้องเสื่อมสภาพลงไปแต่กระจายในที่สุดจากนั้นนใจก็เป็นทุกข์ถ้าว่าใจไม่ได้ ใจไม่รู้เท่ารู้ทันใจไม่ได้พิจารณาใจไม่ได้ศึกษาใจใจไม่ได้รับการแนะนำจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทดธดเจ้าแล้วใจของเราจะว้าวีอ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้าทุกที่สุดในช่วงที่ร่างกายปั่นป่วนหรือร่างกายจะแตกสลายเพราะนั้นพวกเราให้รู้เอาไว้ว่ากายกับใจมันเป็นลักษณะอย่างนั้นให้รู้เอาไว้ศึกษาเอาไว้ ถ้าเรารู้เราศึกษาแล้วนั่นแหละท่นี่เราจะรู้จักควรจะวางตัวยังไงควรจะทํำยังไงใจกับกายถึงจะไม่เป็นทุกข์จนเกินไปเเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจมาบวชในครั้งนี้ตั้งใจภาวนาเนี่ยแหละพิจารณาดูกายแล้วก็จากนั้นก็พิจารณาดูใจใจของเราไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นอืมันจึงเป็นทุกข์ จากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาตัวใจการพิจารณาอะไรก็ตามภาวนาอะไรเรื่องอะไรก็ตามกำหนดเรื่องอะไรก็ตามถ้าไปกำหนดแต่ภายนอกถ้าไม่เข้าถึงใจตัวผู้รู้นามธรรมาตัวนี้แล้วยังพวกเรายัางห่างเหินกันอยู่มากแต่ถ้าเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วดูใจของตนเองแล้วนั่นหละเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดอ อ, ออกไปจากใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นต้นเรื่องใจเป็นต้นเหตุจะต้องปล่อยวางอยู่ที่ใจกันกลองที่ใจใช้สติใช้ปัญญาทบทวนดูที่ใจในเมื่อเห็นใจตัวเองเห็นรู้รู้เท่ารู้ทันแล้ว อ, อพิจารณารู้รอบขอบชิดแล้วนั่นละ่ะมันจะปล่อยวางที่ใจในเมื่อปล่อยวางที่นี่นั่นละ่ะเออพระหัน ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาบวชในครั้งนี้ให้ศึกษาปฏิบัติให้รู้แนวทางเอาไว้ว่าการบวชของเราในหลักของพระพุทธศาสนาจุดใจจุดหมายปลายทางของพุทธะที่พระพุทธเจ้าแนะนำํำภาษาวกของพระองค์นั้นแนะนําอย่างไรอันดับแรกก็นนู่นแนหะแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา อันนั้นอย่างนอกๆนะนอกๆแต่ส่วนเข้ามาลึกส่วนใจแล้วในภาคปฏิบัติแล้วที่จะชำระสะสางจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วขยับเข้ามาถึงกายถึงใจในตัวของเรามีอยู่สองอย่างที่ผมเคยพูดแล้วพูดอีกมันมีอยู่สองแต่จะชำระจริงๆก็คือชำระใจใจใตัวนี้แหละที่เป็นหัวหน้าคิดปรุงฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆคิดรักคิดโลภคิดโกรธคิดหลง มันออกไปจากใจทั้งนั้นคิดรักเป็นยังไงกามมาลาคะคิดโกรธกับเ็นโทสะอคิดโลภออยากได้ของคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นให้พวกเรารู้พิจารณาเอาธรรมะศีล ส, สมาธิสมาธินี่แหละเข้าจับจิตใจเข้าดูจิตใจถ้าไม่มีใจไม่เป็นสมาธิแล้วจะมองไม่เห็น ถ้าจิตใจเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วนำมาพิจารณาจะเห็นจะรู้ได้ใจของเราเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องอะไรพอใจไม่พอใจอยังไงเศร้าหมองผ่องใส ย, ยังไงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะจากนั้นก็เมื่อรู้แล้วแล้วก็ปล่อยไม่ยึดมัน่นถือมัน่นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเราไม่รู้จะยึดไปทำไมไม่รู้จะเกาะไปทำไมมันก็ต้องปล่อยวางทิ้งลงที่ใจ เมื่อปล่อยวางเท่านั้นแหละความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็จะอยู่ที่ใจวันนี้ผมได้พูดที่พวกเราเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นเวลาในพรรษาเนีก็เข้ามาปาเข้าไปยี่สิบวันแล้วตัวผมก็พยายามถ้ามีโอกาสก็จะพยายามพูดในช่วงระหว่างแปดค่ำ สิบห้าค่ำหรือหนึ่งค่ำถึงแปดคำ่ำจะพยายามพูดให้ได้สักครั้งหนึ่งสรุปแล้วก็คืออาทิตย์หนึ่งตามปกติก็แปดคำ่คำสิบห้าค่าพวกเราก็ประชุมกันอยู่แล้วแต่ก็พยายามจะหาโอกาสพูดในช่วงระหว่างเพื่อจะให้เป็นการเตือนย้ำสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มุ่งมั่นพอกการประชุมกันเรื่าการพูดธรรมะ เป็นการสนทนาปรัรบกันมันก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้เข้ามาศึกษาใหม่แต่ถ้าว่าพวกท่านเข้ามาแล้วไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษานานๆเข้ามาเห็จิตใจของเร า, เาออก็ออกไปข้างนอกเรื่อยๆมองไปข้างนอกบูดูข้างนอกเรื่อยๆออกไปข้างนอกเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆเพราะไม่มีการตอกย้ํา ไม่มีการชักนําไม่มีการแนะนําก็ทําให้พวกเราเริงเจิ้งเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ทําให้ไม่รู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติเเผลอยังดูถูกพพุทธศาสนาอีกบวชเข้ามาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเพราะไม่รู้จักหลักยึดหลักฟังหลักคิดฮะเพราะฉะนั้นผมจึงได้ได้ลงมาถึงจะมีภาระหนักมากก็ยังมาพูดให้หมู่พวกเพื่อน ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอจบเพียงเท่านี้